ข้อความในจริยาปีดกก่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงการพิจารณาโทษของการไม่เจริญบารมีและก็อานิสง์ของการเจริญบารมีไปได้สข้อแล้วนะได้สบารมีโทษของการไม่ให้ทานคุณประโยชน์อนิสง์ที่เกิดจากการให้ทาน โทษที่เกิดจากการไม่รักษาศีลคุณประโยชน์บุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลโทษของการไม่เจริญเนฆามะกับคุณประโยชน์อันนีส้สอผลกําไรที่เกิดจากการเจริญเนฆามะโทษของการไม่มีปัญญาโทษของความโง่เขลาโทษของความเข้าใจผิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายกับอันิสงส์ของสติปัญญาความรู้เพราะปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนกับดวงตา เป็นคำเดียวที่ใช้แทนคำว่าทัศนะเนี่ยนะปัญญานี้ใช้ใช้แทนศัพท์ทั่วไปคือทัศนะปัญญานี้แปลว่าความเห็นคำว่าเห็นในที่นี้เนี่ยนะเหมือนอย่างว่าถ้าเรามีตาเดินทางในตอนกลางวันเนี่ยคือตัวเราเองก็มีตาด้วยอาศัยแสงสว่างด้วยมันทำให้สามารถเห็นที่สูงที่ตำ่ำที่เรียบที่ไม่เรียบ ที่ไหนควรไปที่ ไ, ไหนไม่ควรไปที่ไหนมีอันตรายที่ไหนไม่มีอันตรายด้วยอนุภาพของตาด้วยอนุภาพของแสงสว่างฉั้นใดชีวิตของผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็ฉันนั้นจะ канал, อมองเห็นว่าอะไรเป็นความสม่ำเสมอทางกายอะไรเป็นความไม่สม่ำเสมออะไรเป็นคำพูดที่สม่ำเสมออะไรเป็นคำพูดที่ไม่สม่ำเสมอ แม้แต่ความคิดก็เหมือนกันว่าความคิดไหนที่เหมาะสมความคิดไหนที่ไม่เหมาะสมความคิดไหนมีโทษความคิดไหนไม่มีโทษดังนั้นการสร้างบา ร, รมีนี้อาศัยปัญญาในการสร้างถ้าหากว่าไม่มีปัญญาในการสร้างบา ร, รมีก็ไม่สามารถจะสร้างบา ร, รมีจนประสบความสําเร็จนี่มาดูว่าปัญญาที่ไปพิจรารณาคุณประโยชน์อันนิสงของการเจริญความเพียรบ้างเนี่ยนะนะซึ่งใครก็รู้อยู่แล้วว่า บุญกุศลคุณงามความดีก็คือทานทุกคนก็รู้ว่าการให้ทานนี่ดีและมีประโยชน์การรักษาเสลดีมีประโยชน์การเจริญเนคขมมะเจริญสมะถะทั้งหลายทุกคนก็ยอมรับว่าดีมีประโยชน์แม้แต่การเจริญปัญญาว่าคุณนประโยชน์อั น, นิสงของปัญญานั้นดียิ่งใหญ่ใครที่มีปัญญาผู้นั้นก็พ้นทุกทีนี้รู้อยู่แล้วเนี่ยนะถามว่าความสาเร็จแห่งบุญกุศลเหล่านั้นดูได้จากอะไร ดูจากความเพียรว่าเพียรที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านั้นไหมพรันผู้ที่อาศัยข้อปฏิบัติที่ถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าอยู่ด้วยความเกียจคร้านไม่มีความเพียรริเริ่มไม่มีความเพียรที่บากบัน่นไม่มีความเพียรที่ก้าวหน้าต่อๆไปเนี่ยนะหยุดอยู่กับที่แล้วถอยหลังไงกันนะคือสังสารวัตมันไม่เหมือนอย่างอื่นถ้าหยุดอยู่กับที่แล้วมันฉุดถอยหลังหมดเลย แต่ยิ่งมีแต่เพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นแหละจึงจะประสบความสำเร็จทีนี้พูดถึงการพิจารณาในหน้า607บอกว่าอันหนึ่งกรรมคือการกระทําทั้งหลายที่เป็นโลกิยะแม้ปรากฏอยู่ก็ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยความเพียรชั้นต่ำ น, นะในโลกนี้เนี่ยนะทำย่อๆแย่ๆก็าบางกันนะอะไรก็ช่างเถอะแม้กระทั่งจับจับอะไรสักอย่างถ้าจับแบบไม่มั่นจับ แบบล้มลวงเนี่ยนะแม้กระทั่งจับสมุดปากกาเนี่ยดินสอถ้าจับแบบร้มๆวงแล้วเขียนหนังสือดูสิชั้นใดทุกอย่างในโลกนี้ถ้าขาดความตั้งใจจริงขาดความเพียรพยายามที่เหมาะสมที่สมควรแก่สิ่งนั้นๆไม่สําเร็จแม้กระทั่งการเจริญกุศลทั้งหลายเนี่ยนะกุศลแต่ละระดับเช่นมหากุศลทั้งหลายถ้าความเพียรชั้นต่ําเจริญกุศลไม่ได้สมะถะทั้งหลายถ้าความเพียรชั้นต่ํา จเจริญไม่ได้คนรักษาศีลก็เหมือนกันคนเกียดคร้านไม่สามารถจะรักษาศีลได้ปัญญาเนี่ยนะปัญญานั้นคนขี้เกียจเนี่ยนะยากที่จะเจริญด้วยปัญญาปัญญาที่เป็นโลกิยะยังต้องอาศัยความเพียรจะกล่าวไปยายถึงปัญญาที่เป็นโลกุตระเพราะผู้ปรารจความเพียรไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากจึงสามารถบรรลุได้โดยไม่ยาก ที่จริงในโลกนี้เนี่ยนะคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องใดๆโดยมากเขาเพียรแค่ไหนรู้ไหมสละชีวิตแกเรื่องนั้นเลยทุ่มเทอย่างผู้ที่ประสบความสําเร็จในการศึกษาทั้งหลายโดยมากเนี่ยเลเรียนอย่างก็ว่าเอาไปใช้ถูอูใช้แบบไม่มีจบมีสิ้นใช้เป็นพันพันล้านปีงั้นแหละทุ่มเทในการเรียนขนาดนั้นจึงจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะพวกเกียรตินิยมทั้งหลายไม่ได้ขี้เกียจอะไรหรอกดูหนังสือแทบตาย ถ้าไปเห็นความเพียรแล้วโอ้ยน่าจะให้เกียร์นิยมสองใบด้วยซ้าใบให้อันหนึ่งก็คือให้ความสามารถให้อันหนึ่งก็คือให้แก่ความเพียรพรามเั้นเป็นคนที่มีความเพียรพยายามอุตสาหะสูงมากอันทุกอย่างในโลกนี้สําเร็จด้วยความเพียรด้วยความทุกข์ความยากความลําบากแม้แต่การประกอบอาชีพที่จะครองโลกหมายความว่าครองชีวิตให้อยู่ได้ในชาตินี้ก็ยังต้องอาศัยความเพียรพยายามมากแล้วถามว่าพบต่อๆไปล่ะ อันนี้ความเพียรที่จะออกจากภพล่ะมันจะต้องใช้ความเพียรขนาดไหนแต่เพียรในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าโออยู่นิ่งไม่ได้เลยขยับตัวตลอดชักกระตุกตลอดไม่ใช่อย่างนั้นไอ้เพียรในที่นี้หมายคือว่าริเริ่มในการเจริญกุศล น, นะคือลักษณะของความเพียรคืออะไรทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทํากิจใหม่ๆอย่างนี้ตลอดทํากุศลใหม่ๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ รักษาที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดคือเพิ่มพูนพัฒนาให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกำจัดอกุศลออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีอกุศลจนกว่าอากุศลจะเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์จริงอยู่จริงอยู่ตัวนี้แปละว่าสัพที่เน้นตอกย้ำว่าผู้มีความเพียรต่ําไม่สามารถจะปรารบว่าเราจากยังสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากห้วงสงสาร คนขี้เกียจเนี่ยนะบอกว่าจะช่วยให้คนอื่นพ้นจากวัตถุกได้อย่างไรเพราะตัวเองก็ยังฉุดตัวเองไม่ได้เนี่ยนะตัวเองก็ฉุดตัวเองออกจากวัตฏะไม่ได้และจะช่วยฉุดผู้อื่นให้ออกจากวัฏฏะได้อย่างไรเพฟันผู้มีความเพียรชั้นต่ำเนี่ยช่วยใครไม่ได้หรอกส่วนผู้มีความเพียรปานกลางปรารบแล้วก็ถึงที่สุดในระหว่างแปลว่าทําไปได้ครึ่งหนึ่งก็เลิกเลยเพราะว่าอะไรก็ใช้เกียร์ต่ําเงินไปขึ้นไม่อะไรกันนะมันจน ลากตัวไปไม่ไหวว่างั้นน่ะนะอย่างที่สามบอกผู้มีความเพียรอุกฤษไม่เพ่งเล็งถึงความสุขของตัวเอง mm hmm. คือไม่อะไรในความสุขของตัวสละชีวิตทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่ความสุขแก่สัตว์อื่นผู้นั้นแหละจึงจะประสบความสำเร็จในการสร้างบารมีตามที่ปรารถนานี่นะ mm hmm. ถ้ายังอะไรอาวรในความสุขของตัวอยู่ยาก ที่จะตรัสรู้ได้นี่นะยากที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์บอกว่าพระองค์นี้ภาคเพียนพยายามอย่างคืนสุดท้ายเนี่ยนะพระองค์เพียนว่าไงร่างกายของเราจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหิืแห้งไปถ้าหากว่าเราไม่บรรลุด้วยความภาคเพียนของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษเราจะไม่เลิกนี่นะหมายว่าสละชีวิตทุกอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทุ่มเทเอาจริงเอาจังมากเนี่ยนะนะเพราะเหตุนั้นเพ่งพิจารณาถึงวิริยะสมบัติหมายค่ะว่าคุณประโยชน์ของผู้ที่ถึงด้วยความเพียรคนที่ประสบความสำเร็จเราเคยเห็นมั้งไหมคนขี้เกียจเนี่ยนะนะที่สำเร็จแต่ละสาขาแต่ละสาขาแต่ละสายแต่ละขแขนงเนี่ยนะนะเขาได้ด้วยความภาคเพียรพยายามบากบันคนที่ประสบความสำเร็จล้าหน้าคนอื่นก็คือคนที่ทาอะไรมากกว่าคนอื่น อย่างน้อยที่สุดถึงภายนอกดูไม่ทำแต่คิดในเรื่องนั้นมากกว่าคนอื่นคิดมากนักเนี่ยนะเป็นคนที่พิจารณา ม, มากจึงจะประสบความสาเร็จนะสิ่งนั้ น, น, นได้นี่ก็เหมือนกันผู้ที่จะนำตนออกจากวัตฏะก็ต้องเพียรมากอยู่แล้วแล้วผู้ที่จะนำตนออกด้วยแล้วนำผู้อื่นออกด้วยมากกว่านั้นเรียกว่าภายเรือลาน้อยที่จะพาให้ตัวเองข้ามข้ามห่วงน้าไปเนี่ยนะ ลำเดียวที่นั่งพอคนเดียวสบายๆายก็ยังใช้ความเพียนถามว่าแล้วต้องพายเรือใหญ่ๆที่มีคนนั่งเต็มไปหมดนี่จะต้องเพียนขนาดไหนเนี่ยนะเพียนเป็นสองเท่าไหนจะเพียนไหว้ด้วยตัวเองไหนจะเพียนชักชวนคนอื่นให้ช่วยๆกันไหวยเนี่ยนะกว่าจะประสบความสําเร็จไม่ใช่ของธรรมดาเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความเพียนอีกอย่างหนึ่งพึงพิจารณาถึงคุ ณ, ณประโยชน์อ น, นิสงส์ของความเพียนโดยในเป็นต้นอย่างนี้ว่า การปรารบความเพียรเพื่อถอนตนจากเปือกตมคือสังสารวัตของตนของบุคคลใดการถึงที่สุดในความปรารถนาในความเป็นผู้มีความเพียรย่อย่อนแม้ของบุคคลนั้นไม่สามารถจะให้เกิดขึ้นได้ไม่ต้องพูดถึงการสร้างอภินิหารเพื่อถอนโลกพร้อมทั้งเทวโลกกันละเราไปศึกษาดูประวัติอริยาสาวกเนี่ยมีใครขี้เกียจบ้างอ่ะ อยู่ด้วยความเกียจคร้านอาเกียนไปด้วยกองกิเลศเนี่ยนะหมักหมมด้วยบาปอากุศลทั้งหลายเคยได้ยินไหมในาศาสนาที่เป็นพระโสดาบันทาอย่างนั้นจนเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะนอนกลิ้งเกลือนจนเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะไม่มีมีแต่นอนและเจริญกรรมฐานแตบบ่เขาเรียกว่าอย่างพระรูปหนึ่งนะนะท่านเป็นบุรุษพิเศษไม่เหมือนคนอื่นมีอยู่องค์เดียวในาศาสนานี้ท่านเดินเนี่ยเดิน7วันเลย นั่งก็นั่ง7็วันยืนก็ยืน7วันนอนอีก7วันบรรุเลยแสดงว่ายืนทําอะไรยืนตั้ง7็วันเดินตั้ง7็วันนั่งตั้ง7็วันแล้วนอนเนี่ยแม่แทบไม่ลุกเลยเจ็ดวันแล้วบรรุได้นี่นะพันนอนยังไงจึงสามารถยังวิสุทธิเจให้เกิดขึ้นนี่นะนั่นอ่ะเป็นผู้ที่ปราลบความเพียรนั้นคําว่าความเพียรนั้นเพียรทางกายและทางใจพรยะยศสาวกทุกองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเพียรเนี่ยนะแม้กระทั่งพระ อัครส า, าวกท่านเหล่านั้นก็บรรลุได้ด้วยความเพียรนี้ขนาดยังประโยชน์ตนให้สำเร็จเพียงแต่ช่วยเหลือตัวเองให้ออกจากวัตะยังต้องเพียรถึงขนาดนั้นไม่ต้องพูดถึงการสร้างอภินิหารตั้งความปรารถนาที่เรียกว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยนั้น่ะหรือเรียกว่าจะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามด้วยนั้นจะต้องภาคเพียรขนาดไหนแล้วเป็นความเพียรที่ ไม่มีเลิกลาในระหว่างเป็นการอธิษฐานความเพียรที่เรียกว่าไม่มีอะไรทําให้ท่านเปลี่ยนใจได้ น, นะนะเพราะอะไรทําไมถึงต้องเพียรมากมายขนาดนั้นเพราะหมู่แห่งกิเลสคือเครื่องเศร้ามองที่ประทุษร้ายทั้งหลายเครื่องประทุษร้ายใจทั้งหลายมีราคะเป็นต้นเป็นสิ่งที่บุคคลห้ามได้ยากเหมือนคชสารตกมันใครไปห้ามช้างตกมันดูสิ ยุดยุดยุดยดย่างไนะได้ไหมประสบความสําเร็จไหมเขาบอกว่าภาษาไทยก็เรียกว่าช้างเหลือขอเขาว่ากันแม้เหลือขอจริงๆไอ้คนเนี้ยเหลือขอไม่ใช่หมายถึงขอนะหมายคำว่าเอาขอสับจิกลงไปแล้วขุดขึ้นขุดแล้วก็เขาเรียกว่าขุดแล้วจิกขึ้นกุดแล้วจิกขึ้นขนาดนั้นยังเอาไม่อยู่เขาว่ากัน นนะเอาไม่อยู่ก็เลยเรียกว่าช้างเหลือขอก็เลยมารัดเหลือแต่คำว่าเหลือขอจริงๆแปลว่าพูดยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จจะจิตจะโบยจะตีจะเขี้ยนจะเข็นจะฆ่ายังไงก็ไม่สำเร็จเท่าไงราคาทั้งหลายโดยมากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆยากเท่าน้นเหมือนโคจสานตกมันก็บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะช้างช้างโคจสานตกมันเนี่ยมันไม่เคยเกรงกลัวอะไรโดยเฉพาะมันได้กลิ่นช้าง ช้างเพศตรงข้ามเมื่อไหร่ ย, ยิ่งไม่มีใครเอาอยู่เลยเขาบอกว่าเวทมนต์คาถายังเอาไม่อยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นพระราชานั่งอยู่บนคชสารคือช้างแต่เป็นช้างตกมันพอดีวันนั้นช้างตกมันปกติแล้วเขามีอาจารย์ที่ที่มีเวทมนต์มีคาถามีอํานาจที่ได้ฝึกช้างเชือกนี้มาเป็นอย่างดีนี่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพระราชาก็ทรงช้างเนี่ยประพาสอุทยาน พอไปถึงอุทยานช่วงนั้นน่ยก่อนหน้านั้นสักระยะหนึ่งเนี่ยมันมีพวกนางช้างเขาเรียกว่าถ้าช้างตัวผู้เขาเรียกอะไรช้างพลายใช่ไหมถ้าตัวเมียเรียกว่าช้างพังพวกนางช้างเหล่านั้นก็มาอุจจาระปัสสาวะรดไว้ตามสวนนั้นไปหมดเลยไอ้ช้างตกมันเชือกนี้เขาก็ได้กลิ่นพอได้กลิ่นเท่านั้นแหละโอ้โหวิ่งตะบึงตะบอลในพระราชาที่อยู่บนคอช้างจะใช้ขอสับยังไงจิกยังไงมันก็ไม่อยู่มันก็ไม่เอาเนี่ยนะ มันก็ไม่อยู่แล้วก็ยังวิ่งอยู่นั่นแหละอาจารย์นี้ที่มีมนขลังเนี่ยนะไร้มนยังไงก็ไม่อยู่ช้างนี่ก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปจนถึงต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งพระราชาก็เลยเอามือเนี่ยโหนต้นต้นไม้เนี่ยนะช้างก็ไปไปเนี่ยนะพอช้างไปเรียบร้อยไปไกลมากพระราชา ล, ลงจากต้นไม้เรียกอาจารย์ช้างมาไในว่าท่านมีมนขลังเหมือนน ดูแลควบคุมช้างได้ก็บอกโอข้าพระองค์ยังห่าไม่ได้พระเจ้าค่ะเส้าบอกว่าแต่ว่าช้างเชือกนี้อีกไม่นานจะมาไม่เกินสมวันช้างจะกลับมาพระราชาก็เลยคาดโทษภายในสมวันไม่มาท่านหัวขาดแน่ก็วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามช้างก็กลับมาจริงๆทีนี้พอกลับมาเนี่ยพระราชาก็สอบสวนว่าทำไมช้างเชือกนี้จึงกลับมา เขบอกว่าด้วยอนุภาพมวลของข้าพระองค์พระเจ้าข้ า, าก็งั้นอ้าวแล้วตอนนั้นท่านไม่ได้ไล่มวลนี่ไล่แต่มันไม่อยู่พราะงั้นทําไมก็ราคะที่มันเกิดขึ้นตอนที่มันตกมันเนี่ยมันรุนแรงเกินกว่าสิ่งเหล่านั้นจะห้ามไว้ได้ก็บอกว่าท่านว่าท่านว่ามีมวลขลังเนี่ยท่านลองดูสิก็เลยบอกว่าไล่มวลปับให้ช้างเนี่ยจับเหล็กมันยังจับเหล็กร้อนๆเนี่ยัยังทําตามอนุภาพหมดแต่ว่าตอนที่ราคารุ่มร่มเนี่ยนะมวลกระจายหมดว่างนนั้นนอะ ทะักมนท่วมมนก็บอกโอ้ราค้าของสัตว์ทั้งหลายทําไมมันแรงขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดับราคาได้แล้วเราจะดับราคาแกสัตว์อื่นด้วยเนี่ย น, นะนั่นก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องกําจัดราคาของเราให้ได้แล้วเราจะช่วยสัตว์ทั้งหลายกําจัดราคาด้วยมัน เ, เหมือนกับว่าคตจะสารตกมันลองดูเถอราคาเนะีเอาโทรศัพท์ลองโกลัวอะไรดูมันใช่ห้ามกันง่ายๆน ะ, ะถ้าบอกว่า อ้าโกรธอาจจะคุยกันได้แต่ถ้าเสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาปลอบใจสิปลอบใจยังไงพ่อกาลังตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยปลอบใจให้สบายใจดูสิพูดยังไงให้สบายใจอ่ะเงินหายไปทันทีหมดเนื้อหมดตัวพับหนึ่งเนี่ยพูดให้สบายใจดูพูดยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าจะปลอบกันง่ายๆเนี่ยนะแขนพิการเนี่ยขนขาดไปข้างหนึ่งพูดให้สบายใจเลยว่าแขนเหลือข้างเดียวก็ดีนะ ไ, ไม่ใช่ของง่ายที่จะปลุกปลอบราคะแล้วพูดให้เห็นอริยสัจนิสุทธิพูดยังไง นี่ทุกเนี่ยนะโอ้ยพูดไม่รู้กี่ร้อยคำหลาคนพูดก็ยังไม่เห็นเลยว่างั้นนะได้ยินแต่ชื่อว่างั้นนะก <_ d ata> ็คือถ้าว่าราคะโทสะโมหะนี่มันมีกำลังจริงๆถ้าไม่มีปัญญาที่แข็งแรงเพียงพอไม่มีความเพียรที่บากบั่นจริงๆยากว่างั้นเพราะการสมาทานถือเอากรมกิเลสเป็นเครื่องประทศร้ายนั้นเป็นเหตุคือเพราะทุกคนแต่ละคนเนี่ยสมาทานราคะสมาทานโทสะสมาทาน โมหะถือเอาราคะโทสะโมหะที่จริงเนี่ยรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ตามพฤติกรรมประจําวันของเราเนี่ยสมทานแหมเรียกว่าขันเกลียวรัตทีละนิดทีละนิดขันตัวเองด้วยราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะเช่นเห็นปียรูปสาธเตรูปชอบเห็นอปิยรูปอสาธเตรูปก็ไม่ชอบไอทั้งชอบและไม่ชอบก็โง่ทั้งคู่ทีนี้มันก็สะสมสามตัวเนี่ยนะชอบไม่ชอบโง่ชอบไม่ชอบโง่โง่ชอบชอบ ชังชังชอบชอบชังๆก็ถือเอามาไม่ใช่ชาติเดียวเนี่ยนะนะมันหุ้ยมันแข็งแรงมากหนังเหนียวเพราะว่างั้นกิเลสเนี่ยมันหนังเหนียวมากเพราะนนั้ถ้าสมาทานยึดถือเอางี้เนี่ยว่าเห็นปั๊บโกรธเลยทันทีโดยที่ไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นทําไมอ่ะแปลกนี่ยนะโกรธทันทีโดยไม่ต้องอธิบายชอบทันทีโดยไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขยายความไม่ต้องอะไรทั้งนั้นในแต่ละทวาร น, นะฟังหนึ่งคำปั๊บเครียดทันทีเลยฟังอีกคำปั๊บยิ้มหัวเราะราเลยนะ ทุกทวารเนี่ยนะไม่ว่าจะทวานตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายหรือทวารใจเนี่ยนะมันมันสั่งสมถือเอากรรมถือเอากิเลสเนี่ยมานานขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเช่นกับเพชรขาศที่เงื้อดาบเพราะบาปอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะมันเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายอันนี้เป็นสับโบราณสมัยใหม่ทห่เ ร, รหัสเนะเป็นรหัสของอบายทุกขติวินิบาตนรก ขณะเดียวกันนี่บาปอากุศลที่มันเหมือนกับเพชฌฆาดคอยตัดศีรษะคือกุศลให้ตกไปสู่อาบายทุคติวินิบาสนรกนี่มันเปิดอยู่ตลอดเวลาั้นถ้าไม่มีศีลเป็นเป็นกุญแจห้ามเนี่ยนะที่จะปิดประตูอาบายเนี่ยนะถ้าไม่มีสมถาวิปัสนาเป็นต้นเป็นกุญแจห้ามล็อกปิดประตูอาบายเนี่ยยากเนีนะเพราะมันเปิดเงื่อมอยู่ตลอดเวลาแล้วใจมันก็ฉุดลงไปตรงนั้นด้วยฉุดลงไปตรงนั้นด้วย คือพูดอย่างนี้บางคนอาจจะเห็นไม่ชัดเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราเห็นทุกอารมณ์เนี่ยฉุดเราตกนรกได้ตกได้ยังไงปัญหาว่ารู้ว่าประตูนรกมันคืออะไรในโลกนี้เห็นอะไรบ้างที่ล่วงกรมาบทไม่ได้ได้ยินอะไรบ้างสิ่งนั้นน่ะไม่เป็นที่ตั้งแห่งการล่วงกรมาบทเมื่อทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลกรมบดแปลว่าตารางนิ้วไหนที่ไม่มีการโกงแผ่นดินตรงไหนบ้างที่ไม่มีการฆ่าหาดูเถอไม่มี เมื่อทุกแห่งมีการฆ่าบทุกแห่งมีการโกงทุกแห่งเป็นที่ตั้งแห่งกามเมเป็นที่ตั้งแห่งมูสาวา่าเท่ากับทุกแห่งเปิดประตูอาบายไว้หมดพันบาปอากุศลเหล่านี้เนี่ยนะที่เปิดประตูอาบายทุคติวินิบาศนรกขนาดนี้แล้วถามว่าและไอปรนะตูเหล่านี้มันสูบด้วยนะมันเครื่องสูบอ้าวมันสูบให้เกิดราคะสูบให้เกิดโทสะสูบให้เกิดโมหะนั่นแหละก็คือสูบไปสูป่อาบายทุคติวินิบาศนรกเนี่ยนะมันเปิดอยู่ตลอดเวลา ทำไงอ่ะถ้าไม่เพียรอย่างแท้จริงไม่พยายามอย่างแท้จริงเนี่ยทวนกระแสไม่ได้หรอกเนี่ยนะเหมือนกับกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวถ้าไม่มีเรี่ยวมีแรงจริงๆเนี่ยก็ไหลไปไหนก็ไหลไปตามกระแสก็ตกโน้นเป็นตกไปในน้ําตกมีหินข้างล่างรองรับเนี่ยแตกเป็นเที่วเป็นรอยเป็นต้นเนี่ยนะแม้กระทั่งคนในโลกนี้ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นลักษณะนั้นให้เห็นก็ ไม่ใช่น้อยนั่นคือกระแสะแห่งสังสารวัตที่มันสูบลงไปเนี่ยนะสู่ชาติชาราและมรณะนี้สุขติยังขนาดนี้แล้วอบายทุคติวินิบาตจะขนาดไหนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมิดชั่วชักชวนในการทำอกุศลมานานสั่งสมชำนานแล้วโดยปกติเนี่ยนะคำของคนชั่วฟังโอยฟังแล้วเข้าใจทันทีอธิบายยังไงก็เข้าใจง่ายบอกโอ้ยธรรมะนี่มันยากมันเย็นเหลือเกินางั้น แต่ว่าอากุศลทั้งหลายนี่ฟังแล้วมันเข้าใจง่ายง่ายเพราะอะไรเพราะเราเชื่อคําของคนชั่วมานาน น, นะคือตรงกันเข้ามาชีวิตของเราเนี่ยโดยปกติที่เราอยู่ในวัดตะได้ทนกันขนาดนี้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะโดยมากอัปมงคลเริ่มข้อแรกไปคบคนพาลห่างบัณฑิตบูชาแต่คนพาลไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาประเทศที่เราอยู่เนี่ยโดยมากอัปปฏิรูปประเทศ เป็นประเทศที่ไม่สมควรไปที่ที่แหง่งทุกแห่งไปทำบาปเนี่ยนะไปทำบาปจะต้องได้มาสักข้อหนึ่งไปได้บาปมาสักข้อหนึ่งอย่างน้อยก็เพอ้อเจอ้อเป็นต้นอย่างไม่ก็ไม่มีใครเพอร้อเจอ้อด้วยกว็าอากุศลมโนโทุจริตแล้วก็ไปตั้งอัตตะมิจฉาปณิทิไว้ด้วยนะไม่ใช่อัตตะสัมมาปณิทิไปตั้งเครื่องไม้แห่งราคะไปตั้งเครื่องไม้แห่งโทสะไปตั้งเครื่องไม้แห่งโมหะ ไอ้ผูสูตรเป็นต้นก็เรียนวิชาที่เฝ้าวัตตาไอ้วิชาออกวัตตาไม่สนใจเนี่ยนะศิลปะก็มีแต่ศิลปะในการทําบาปเนี่ยนะศิลปะจะทําบาปได้ยังไงเร็วที่สุดมากที่สุดเป็นต้นวินัยก็สังวรวินยัยประหารนะวินยัยไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอย่าว่าศึกษาเลยไม่ต้องการปิดหูไม่ต้องเปิดออกงานะําคาญกางั้นต่อไปพ่อแม่หรือเขาบอกว่าทําไม่จําเป็นก็ห่างไว้ดีที่สุดกางนันไม่ต้องไปอุปถากบํารุงท่าน ท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราท่านมีหนะ้าที่เลี้ยงดูเรานะ่นะคือสรุปว่าบุตรภริยาหรือโตขึ้นมาก็เลี้ยงตัวเองก็แล้วกันน่นะคือสรุปว่ามงคล38เนี่ยทำตรงกันข้ามหมดที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นผลมันจะไปไหนแพ้ตลอดการก็ดูว่าผลออกมาก็คือนั่นะอัปมงคลข้อท้ายๆเนี่ยนะใจเป็นยังไงวันไว้ในโลกกระทำตลอดเวลาจิตใจลุ่มุ่มดอ น, ดอนขึ้ น, นลงๆเนี่ยนะนะขะเดียวกัน จิตนี้เศร้ามองเปื่อนด้วยบาปอากุศลเศร้าโศกบ่อยๆเศร้าใจเนืองๆแล้วก็ในที่สุดก็มีแต่ภัยเฉพาะหน้าภัยเขามีอะไรบ้างชาติภัยชาราภัยเป็นต้นภัยแห่งอบายทุกขติวินิบาตก็เลยจมอยู่ในกองทุกข์มันผู้ที่มีภัยเป็นเบื้องหน้าแปลได้เลยว่ามงคลทั้ง38ข้อที่ผ่านมาอับหมดอับประมงคลก็เลยมีภัยเฉพาะหน้ามีภัยนาหน้า มีแต่สิ่งที่น่ากลัวนำหน้าก็เนื่องจากอับประมงคลทั้งหลายนั่นเองดังั้นคนที่เจริญมงคลนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความเพียรมากหรือการสร้างบารมีที่กล่าวไปแล้วเนี่ยให้ทานก็ต้องทําด้วยความเพียรรักษาศีลก็ด้วยความเพียรเนคขมมะเนี่ยนะกำจัดอกุศลวิตตกออกจากใจก็ทําด้วยความเพียรลิ่งสติยิ่งปัญญาแล้วยิ่งต้องมีความเพียรมากเนี่ยนะโดยเฉพาะปัญญาในการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เพียรมากเพียรอะไรก่อน เพียงที่จัดการความคิดชั่วๆของตัวเองออกไปคือคําสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าเป็นไปอย่างที่เราคิดนะอุ้ยได้ดีมานานแล้วสรุปว่าโดยมากคําสอนพระพุทธเจ้าสอนตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดซะส่วนใหญ่รู้ว่าบอกคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็ไม่รู้ไอ้สิ่งที่ทําคําที่พูดสิงที่คิดมันตรงกันข้ามกับตอนนี้ก็แล้วกันเหมือนกันเนะนั่นแหละคือของพระพุทธเจ้าที่ปุตุชนคํานวณไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะคนผ่านกับบัณฑิตห่างไกลเหมือนอะไร ฟ้ากับดินสมุดฝั่งนี้กับฝั่งโน้นชั้นใดเนี่ยนะธรรมของสัตว์บุตรและอาสาัตว์บุตรก็ห่างกันสันนั้นเนี่ยนะต่อเมื่อเราทิ้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมความรู้สึกนึกคิดประจําตัวซะแล้วเดินตามบัณฑิตทั้งหลายท่านว่ายังไงก็ว่าตามท่านไปก่อนเนี่ยนะคือในช่วงแรกๆเนี่ก็อย่าเพิ่งเป็นตัวของตัวเองอะไรให้มากเลยเนี่ยนะถ้าเป็นตัวของตัวเองมากๆนี่มันคืออะไรเกิดขึ้น เอาเนี่ยสมมติถ้าเราเด่นเด็กอนุบาลเบะเบาเกิดมาไม่รู้อะไรเลยหนูเขียนกอไก่บอกเอ๊ไม่เหมือนไก่เลยนีแต่ตัวนี้ไม่เหมือนไก่เลยขอไข่เอ๊ะทำไมไม่กลมคอควายเอ๊ะไม่เห็นมีเขาชอช้างเอ๊ะทำไมีงาไงนะถ้าสงสัยตั้งแต่แรกเนี่ยคิดว่าจะอ่านหนังสือออกเลยไหมเถียงคนแนะนํานักทุกคําทุกคําทุกคําทุกคํา ทั้งหมดจนที่เราขอเคาร์ตามเดิมดีกว่าฉันใดสมมตะถ้าพระพุทธเจ้าแนะนำเนี่ยนะใหม่ๆก็เหมือนกันเชื่อโดยมากเราไม่เห็นด้วยใหม่ๆนี่เราจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าขอคิดตามท่านไปก่อนถ้าหมายคือว่าถ้าท่านอธิบายทั้งหมดแล้วเราไม่ยอมรับค่อยว่าอีกทีหนึง่งแต่โดยมากมันคานตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังแล้วนะไม่เห็นด้วยตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังคําสอนเพรา ะ, ะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราครบมิดชั่วมิตรชั่วมิตรดีนี่ อ, อะไรเป็นเครื่องวัด มิตรชั่วหรือมิตรดีเนี่ยนะกล็ลองมาไล่ดูว่าสมมติถ้าเราเมื่อกี้เราสวดมงคลมาสามถ้ามิตรชั่วเนี่ยนะชวนให้อัปมงคลหนึ่งในข้อหนึ่งใน38ข้อนั่นแหละคนนั่นแหละคือป่าประมิตรถ้าผู้ใดแนะนําให้เป็นไปตามมงคล38นั่นแหละกาลยานามิตรเมื่อเขาแนะนําไปหาอัปมงคลแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งนะั่นนั่นแหละคือป่าประมิตรแล้วล่ะเนี่ยนะอันนั้นเป็นเครื่องวัดง่ายๆเนี่ยนะมันโดยมากเราก็ทําตามคําของ มิดชั่วกันมานานเพราะอะไรเพราะความเป็นคนพาลเนี่ยนะความเป็นปุตุชนคนพานเนี่ยยากที่จะออกจากสังสารทุกข์ได้นยยากที่จะออกจากสังสารทุกข์ได้พันผู้ที่จะเพียงเพียนออกจากสังสารทุกข์เพียนด้วยลำพังตัวเองแล้วยังไม่พอช่วยผู้อื่นด้วยจะต้องภาคเพียนขนาดไหนเนี่ยนะพน คนพาลทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่มีสติคบกับบัณฑิตไม่มีการประพฤติปฏิบัติตามโอวาทตามถ้อยคําของบัณฑิตยากที่จะออกจากทุกได้ไอ้คำว่ายากเนี่ยนะพูดเผื่อๆไว้งั้นอ่ะจริงๆอะ่ะแปลว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะออกจากทุกเพราะอะไรเพราะคนที่มีความภาคเพียร น, นั้นะ่ะคือคนที่เกียรติกันกาจัดอกุศลวิตกให้ออกไปไกล ถามว่าสมมติถ้าการมวิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าไม่เพียรจริงๆไม่รู้จะตัดมันได้ยังไงพยาบาทวิตกเกิดขึ้นวิเหงสาวิตกเกิดขึ้นหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยแก่ยังไงอ่ะถ้าไม่มีความเพียรในการเจริญกุศลอย่างเต็มที่นัผู้ที่มีความเพียรเท่านั้นแหละจึงสามารถจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้ก็เพราะอาศัยความเพียรของตนเนี่ยนะอนุภาพของความเพียร น, นี่แหละทาให้ท่านบากบรร ในการเจริญทานให้ทานรักษาศีลอย่างเคร่งขัดเกียรติกันไม่ให้บาปอากุศลไหลเข้ามาคือลักษณะของศีนเนี่ยนะคือกันไม่ให้บาปไหลเข้าสมถาวิปัสสนาก็คือการเพิ่มพูนบุญศีนเนี่ยกันบาปสมถะเนคขมมะ ก, กับปัญญาเนี่เพิ่มพูนบุญห้ามบาปเพิ่มบุญห้ามบาปเพิ่มบุญห้ามบาปเพิ่มบุญเนี่ยอาศัยอนุภาพของ ความเพียรผู้ที่สร้างความเพียรอย่างนี้จนเต็มที่บริบูรณ์นั่นแหละจึงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ฉนั้นผู้ที่มีความเพียรปฏิบัติ ด, ดังกล่าวแล้วจะยากอะไรแล้วเนี่ยนะจะไปยากไหมที่จะบรรลุบอกไม่ใช่ของยากแต่ว่าความเพียรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าศึกครั้งเดียวแล้วเสร็จเลยใช่ไหมโดยมากเรื้อรังอย่างเนี้ยอย่าง บำเพ็ญบุญเนี่ยนะกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าใช้เวลาแค่ไหนเสียสงไขแสนกับคนที่ไม่มีความอดทนเนี่ยพอฟังปั๊บเลิกเลยพอฟังปั๊บ่าโอ้ยท้อแล้วเนี่ยนะได้ยินปั๊บก็ท้อแล้วท้อตั้งแต่ได้ยินอย่าว่าเลยนะชั้นใดก็ดีนันขันตีนี่จึงสำคัญต่อไปเนี่ยนะคนที่มีความเพียรถ้าขาดความอดทนไปไม่รอดมาพิจารณาถึงอนิสงของความอดทนโทษของความไม่อดทน พูดถึงความอดทนนี้เนี่ยนะความอดทนท่านบอกว่าเป็นอาวุธที่ไม่เคยเบียดเบียนคนดีเป็นอาวุธที่ช่วยเหลือรักษาคนดีให้ให้รักษากุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าไม่มีขันติเป็นอาวุธเนี่ยนะคนดีทั้งหลายกลายเป็นคนชั่วภายในแป๊บเดียวเนี่ยนะจะเป็นคน ด, ดีอยู่เนี่ยเรียกว่าขันติก็คือขันแตกกนะันตะบะแตกนั่นแหละถ้าไม่มีความอดทน กุศลธรรมที่อุตส่าห์ประคับประคองมาตั้งเนิ่นนานนี่เป็นยังไงเสียหายหมดเลยแหละในเพราะสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติคือความอดทนจึงสามารถกำจัดความโกรธที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคุณธรรมได้อย่างไม่มีส่วนเหลือเพราะอาวุธคือขันติของคนดีทั้งหลายเป็นอาวุธที่กำจัดโทษที่เกิดในภายในเนี่ยนะคือศัตรูทั้งหลายเนี่ยนะอย่างไอความเพียรเน้น เล่นกับศัตรูภายนอกแต่ว่าอีกอันหนึ่งขันติก็คือกําจัดค่าศึกภายในเนี่ยนะค่าศึกภายในคือความไม่อดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากร้ายยังไงก็คือสมมุติถ้าลองไม่เจริญกุศลไปแ ล, แล้วมันเกิดไม่พอใจขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นเลิกในระหว่างทางเลยใช่ไหมให้ทานไปให้มาก็เกิดนึกไม่พอใจโกรธโกรธโกรธบอกว่าของที่จะให้มันมีโกรธผู้รับเป็นต้นเนี่ยนะโกรธของไม่ทันใจโกรธผู้รับเลิกให้ ศีนก็เหมือนกันเนี่ยนะแหมมายั่วซะศีนขาดเลยย่งเงนะมาล่อซะเอาก็ระหว่ามาขู่กวนซะศีนขาดเลยเนี่ยว่าจะรักษาศีนให้มันดีแล้วเชีว่างั้นกวนซะศีนขาดหมดเลยอย่างไงหรือไม่ถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยนะอย่างโดยเฉพาะสมถะทั้งหลายเจริญไปรอดไหมม่ยากปัญญาทั้งหลายยิ่งยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะนั้นความอดทนนั้นท่านบอกว่าเป็นอาวุธของคนดีที่กําจัดโทษภายในที่มันกําเริบออกมาภายในเนี่ยนะ